ทํามบัดเช้าจบก็จะมีเวลาฟังคำพูดที่ประมาณ30นาทีเช้าวันนี้เราตื่นขึ้นมาทําวัดสวดมนต์กันใช้คำพูดเปล่งเสียงกันว่าโชคดีแล้วมันเป็นชีวิตที่ เรากำลังใช้เครื่องมือหรือว่ากุจโลบายของคนโบราณที่เป็นการสืบทอดศา ส, สนาที่เป็นศาสนาพาให้เราได้เข้าถึงสภาวะของการเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเราทุกคนเกิดมาก็เหมือนกับ โคที่เพชรกาตจงสู่หลักประหารมีการเปรียบเทียบเอาไว้แบบนี้เราทุกคนที่เกิดมาเหมือนกับฟองสบู่ที่ลอยขึ้นมาเดี๋ยวก็แตกโปะลงไปชีวิตเราเหมือนกับหยดน้ำค้างรู้จักไหมหยดน้ำค้างเหมือนยอดยาในพอแสงพระอาทิตย์ส่องขึ้นมา มันก็เกิดแห้งละลายหายไป บ, บ๊ชิ้นเราเหมือนนักโทษปหารนะจุดหมายปลายทางก็คือตายทุกคนวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปมันก็ใกล้ตายทุกๆขนาแล้วแหละนะเป็นความโชคดีชานี้ตื่นขึ้นมาก็ได้ทําวัดส ด, มดนะ็มณ์เราลัง เรียนรู้กําลังเดินทางสู่ความดีความงามแล้วเห็นความจริงของการเกิดขึ้นมาได้ชีวิตมันมามีกายมีใจกายของเราก็ตั้งแต่เล็กๆจําความได้ไหมแล้วก็เดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะก่อนเดินนะเราคลานก็จํากันไม่คยได้หรอกเคยขี่หลังพ่อหลังแม่ไหม เคยเล่นกับพ่อกับแม่ไหมเคยนอนหนังตากพ่อแม่ไหมโต ว, วันโตคืนมากินข้าวกินน้ําหายใจได้อากาศออกซิเจนกันนี้เราไม่ได้มีชีวิตมาเล่นๆจิตเราได้มาเพื่อที่จะตทนที่สุดแห่งกองทุกเอาร่างกายของเราเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์จิตใจของเราเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ เอาความรู้หรือว่าสติสมาธิปัญญาตรงนี้ศีลเอเป็นเครื่องมือเป็นอุปรกรณ์เหมือนกันในการที่จะดำเนินชีวิตสู่ความผาสุกและเห็นความจริงจริงๆความจริงมันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเราเห็นสมมติบัญญัติกันส่วนใหญ่ที่โลกใบนี้ก็สมมติสมมติผิวขาวสวย ต้องโครเจนเราก็ขายเป็นธุรกิจมีรถเบนซ์เนี่ยเท่บอนเวโวบอ็มสมมติแล้วเราก็พยายามที่จะทำงานทำการเราเรียนเพียรศึกษาเห <Yeah. S 1> มือนกับว่าให้ชีวิตของเรามันดีอย่างที่เราวาดฝันกะแคอนอื่นก็มีมีความสุขเราเองเราก็ คิดแบบนี้กันจนทังบางทีนะเราก็งงตัวเองอะนะเพราะนั้นในโลกนี้มันมีภัยมากมายแล้วกันเกิดขึ้นมาโดยเพราะมรณะภายัมาภายมรณะภัยความตายที่รอยอยู่เบื้องหน้านะโลคาภายัยอุบัติภยัยวินาศภัยมหันตภยัยโดยว่าภัยที่เกิดจากความคิดเนี่ยภัยวัตสงสารตัวนี้นะมันเป็นเป็นภัยร้ายที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน เราก็จึงไม่ประมาทกันเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราสวดปัดฉิมโอวัตท้ายสุดการพูดของพระเจ้าเนี่ยการพูดว่าอย่าประมาทอปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายยงทําความไม่ประมาทใด้ถึงป้อมเถิดเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยคิดพูดทําเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านเอาประโยชน์พระธรรมมันมีประโยชน์ธรรมชาตินี่มีประโยชน์แต่ต้องมีปัญญาไง ถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นโทษทั้งหมดนะทุกอย่างทุกสิ่งเป็นปัญหาได้ทั้งหมดของดีกลายเป็นของที่ไม่ดีคือคนมันไม่มีปัญญาแล้วมันมีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญญามันจะเอาของไม่ดีมาเป็นของดีนะเจ้ากิเลสนะมาเป็นพื้นฐานเหยียบขึ้นที่สูงจเจ้าความไม่ดีทั้งหลายในโลกนะเปลี่ยนมาเป็นความดีให้มั เรากลายเป็นสันติสุขสันติภาพนะการคิดการพูดการทําเกี่ยวข้องวัตถุน123บุคคลตั้ 3, ต 3, มันใช่หมดดฉนะนั้นเราก็จึงมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจผ่านความรู้สึกตัวผ่านปัจจุบันขณะผ่านตัวศีลสมาธิปัญญาผ่านอาการต่างๆที่มันมีอยู่อาการของกายอาการของจิต ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นกำไรชีวิตของพวกเราไม่งั้นก็ถูกลงโทษอ่ะนะถ้าเราไม่มีปัญญาเอาของดีเป็นของไม่ดีก็ถูกลงโทษหมดเช่นอาหารดีๆกินเข้าไปกินด้วยความโง่ไงนะกินมากเกินเดี๋ยวก็ถูกลงโทษทั้งบอเลกทั้งเมตามีนทั้งอัลฟาท็อกซินทั้งฟอรมาลีนอีกมากมายเหลือเกิน สารที่เป็นสารปลอมปนขึ้นมามันไม่ใช่อาหารแท้แท้สารตะกัว่วสารปลดแล้วก็ต้องมีปัญญาหายใจก็ต้องมีปัญญาจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็ต้องมีปัญญาไม่งั้นเวลาเรานั่งไม่มีปัญญากิเลสมันก็นั่งด้วยความทุกข์ก็อยู่ด้วยเราเดินไม่มีปัญญาความหลงก็พาทัน ละท้ายสุดเดินไปทุกไปเวลานอนก็เหมือนกันเมื่อเกิดเน่ยถ้านอนแบบไม่มีปัญญานะีมันก็ตื่นแบบไม่มีปัญญาเหมือนกันก็ตื่นแบบมีปัญหานะีปัญหาต่อชุมชนปัญหาต่อเวลาปัญหาต่อกติกากฎระเบียบจะเป็นปัญหาทันทีเลยเพราันขาสติกับการนอนการหลับการตื่นนะสติมันคืออะไรเนะี่ยเราจะมาเรียนรู้ร่วมกัน ถ้าไม่ได้เรียนรู้ร่วมกันก็ถูกลงโทษเช่นละมาทาวัดนละลมานะเสร็จแล้วเราก็ทาวัดส่วนบนร่วมกันอันนี้ก็เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อวัฒนารรอาจจะมาพูดถึงโทษกันมีตั้งแต่เบาไปถึงหนักเลยอย่างเช่นอ้างถึงกฎหมายดิดินใล น, นิดหนึ่ง เพราะว่าสังคมทุกวันนี้เชื่อกฎหมายแล้วฝรั่งก็จบกฎหมายดนวยนี่ตินในตอนนี้เราปฏิบัติทําให้เกิดพระวินัยาศาสนาพุทธมีพระวินัยธรรมะกับวินัยคือศาสนาพุทธแล้คือาศาอสาศาดาแทนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมันไม่ใช่หมายถึงคนนั้นจะตั้งแทนรู้เจ้าได้คนนี้จะตั้งแทนรู้เจ้ามันไม่มีมีพระอานนท์เคยทูลถามพระเจ้าว่า ถ้าพระองค์เสด็จ ด, ดับกันเมื่อวันนี้ผ่านไปใครจะเป็นศา ส, สาแทน mm hmm. พระเจ้าก็บอกว่าธรรมะกวินัยจะเป็นศาสตาแทนเราให้เขาลบพระวินัยเห mm hmm. มือนกับกฎหมายประเทศไทยแล้วก็มีเรื่องหนาของประชาธิปไตยแบบอังกฤษ mm hmm. มันเป็นหนาของหลักของประชาชนทั่วๆไปที่ร่างกฎหมายขึ้นมาโดยประชาชน mm hmm. แต่เมืองไทยแล้วก็มีกฎหมายแบบไทยๆเหมือนกัน ระบบอวันระบบหมาโม่พวกพ้องบริวารต่างๆมันก็จะมีเขามันอยู่คราวนี้ลักษณะของการล่างกฎกติการะเบียบต่างๆมันก็เกิดมาจากความคิดความต้องการของคนทั้งหมดพอล่วงเราเมื่อเรื่อ่อังเกียจถูกในประเทศอับขับใสอเปะหีต่างๆหรือว่าท้ายสุดโทษประหารเลยแล้วโทษประหารก็มีวิธีการหลายอย่างเลยนะเวลาฆ่ากันเนะี่ยแบบถูกต้องตามกฎหมายนะ นะเช่นลมวันลมแกสนะ๊สประเทศไทยไม่มีนะลมแกสนะ๊สฉีดยาให้ตายนะกดปุ่มก็มันทำงานเลยทันทนะีหรือว่าบางทียังไม่มีเครื่องชนิดนี้นะก็ฉีดได้มือเลยนะทีละเข็มทีละเข็มทีละเข็มสามเข็มตายสนิทนะบางทีก็ใช้เชือกนะมัดคอแล้วก็ผูก เดี๋ยวนี้ก็ใช้เกรนนะใช้เกรนรดเกรนเะอาผูกเชือกแล้วก็เอานักโทษไปไว้บนหลังรถแล้วก็ยกเกรนขึ้นไปก็ค่อยทิ้งห้าหกเจ็ดคนส่วนใหญ่เกิดทางอัฟกานิสถานนั่นพวกนี้เรื่องทีผู้หญิงเนี่ยเรา่วงละเมิดต่อประเพณีนี่นนะวิธีฆ่าทำไงรู้ไหมก็ขูดดินฝังไปครึ่งตัวอะไรคนล้อมวงก็เอาหินป่าให้ตายคาที่ก็เกิดบ่อย เหตุการณ์รู้นโทษประหารอันนี้พูดถึงระเบียบของสังคมชุมชนนะครับนี้เรามาพูดถึงลักษณะของเราที่เราเกิดมาแล้วก็เป็นนักโทษประหารทันทีเกิดมาเพื่อตายแนละ้วแต่ก่อนตายนะจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดตรงนี้มันน่าคิดบางทีก็มีโทษประหารอย่างนี้อีกนะ เอาปืนมาแล้วก็ยิงเป้ามันก็เป็นอะไรที่มันบางทีตอนทำไม่ได้คิดแต่พอตอนโดนโทษประหารมันก็ทุลนทุรายดินตรงหลักประหารแลมันจะมีความหมายอะไรเราก็จึงไม่ประมาทอย่างที่องค์สมเด็จสัมมาวเจ้าได้กล่าวาไว้หรือว่าพูดเอาไว้เป็นประโยช์ที่เราทำวัตสวดมนต์เมื่อสักครู่น่ะปัดจิมโอว่ายนะก็คือ เราพยายใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ขณะ น, นี้นั่งเดินยืนนอนให้มีคติธรรมให้มีความถูกต้องถูกทำถูกตรงต่อสัจธรรมแต่ละขณะก็คือให้มีความรู้สึกตัวเดินเพื่อเดินนั่งเพื่อนั่งรับประทานเพื่อรับประทานอนอนเพื่อนอนยกมือพอดียกมือเฉยๆที่เราฝึกกันอยู่นะเดินจงกรมพอดีเดินจงกมรเงกมเฉยๆนะฝึกดู มาที่นี่มีเวลากันตามที่เราได้กําหนดนัดหมายกันไว้เพราะฉะนั้นใช้เวลาเพื่อปฏิบัติการตามแนวที่โอสมเด็จสัมมาจ้าได้ชี้นํำมาไว้หรือว่าหลวงปู่เทียนท่านได้ชี้นํำมาไว้หรือว่าหลวงพ่อเขียนเมื่อวันถ้าใครมาทําบัดส่วนมนต์เมืวานาวนะท่านก็ชี้นํำมาไว้วันนี้ท่านไปที่โรงพยาบาลจุฬาเมาื่อวานตอนันเช้าวก็ท่านก็สั่งเสียกันเอาไว้ หลวงพ่อจะไปที่โรงพยาบาลจุลาตรวจสุขภาพนิดหนึ่งเพราะเป็นมะเร็งลําดับที่สี่ขั้นที่สี่อายุเจดสิบกว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องให้คีโมต้องฉายให้แสงแต่หลวงพ่อท่านป่วยเหมือนคนไม่ป่วยท่านสนุกป่วยสนุกป่วยเราทําได้ไหมท่านบอกว่าเออคนเนี่ยทําไม่รู้เรื่องการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนหกันเวลาป่วยทุลนทุลายแล้วบางทีก็ กลัวกลัวตายแต่หลวงพ่อไม่กลัวลงพ่อสนุกป่วยหมอดียาดีกรรมฐานดีมิตร ด, ดีสหายดีหายป่วยแต่ท่านก็ยังไปตรวจสุขภาพอยู่เดี๋ยวนี้เขาถึงขั้นที่ว่าโฆษณากันแล้วนะขนาดเนี้ยนะใครป่วยเป็นมะเร็งระดับที่4ม่มะเร็งแบบรอความตายหมอไม่รับแล้วนะ ให้ส่งลงไปที่โรงพยาบาลองค์การลักของมอสวองค์การลักเนี่ยก็มีเครื่องหนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนคิดขึ้นมาเครื่องนี้นยิงเซลเล์มะเร็งให้ตายคําโฆษณาเนี่ยต้องพิสูจน์เราเองจริงไม่จริงคนไข้ก็รอดได้มีเครื่องเดียวในเอเชียก็ถือว่าในเอเชียเครื่องนี้น เป็นเครื่องเครื่องเดียวที่มีอยู่เราก็เออคนเรามันก็ค้นคิดกันอะไรมากมายเหลือเกินเพื่อเอาชนะความตายหรือว่ายือดอายุให้นานที่สุดสเต็มเซลล์อะไรพวกนี้พยายามสร้างเซลล์ใหม่สองพันก ป, ปีที่ผ่านมาอโอ์สมเด็จสัมมาฯเจ้าได้พูดถึงว่าเนื้อเกิดเนื้อแก่หนืเจ็บเนือตายชีวิตที่จะมีความผาสุก แล้วก็ทายสุดก็คือไม่ต้องกลับมาใช้กรรมอีกตัดกรรมตัดกรรมตัดกรรมถ้าทําไม่ดีขณะตายจิตออกทางตาก็ไปเกิดเป็นสัตว์ปีกเกิดทางป่าเกิดเสัตว์น้ำเขาก็ว่ากันอย่างนี้เกิดยังไงให้เกิดแล้วก็ดีเมราต้องคิดดีพูดดีทําดีแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมเรียกว่าเผื่อนเหนียวเอาไว้เราจะไม่กินบุญเก่าอย่างเดียว บุญเก่าก็กินแล้วก็หมดไม่ทําบุญใหม่ไม่สร้างบุญใหม่เงี้ยมันก็ไม่ปลอดภัยชีวิตเราก็จึงมาเนี่ยศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นลนะษณะการสร้างบุญที่สูงที่สุดให้กับชีวิตของเราที่เหลืออยู่ขนาดนี้ปฏิบัติธรรมในเพียงบุญที่สูงที่สุดดีกว่าทําบุญทํำทานรักษาศินทั่ ว, วไปแต่ไม่ได้พูดถึงว่าไม่ให้ทําเราก็ทํากันมามากแล้วบางคนทําดีก็ร้องไห้เพราะความดีนั่นแหละ ทำดีแล้วคนไม่ชมว่าดีทำดีแล้วเขาก็อาคติทำดีแล้วก็ไม่เห็นได้รับคำชมได้รับรางวัลกับโดนนินทากับโดนสารพัดสารพันเราก็เห็นอยู่ทำดีไม่ถูกดีทำดีไม่ถูกคนทำดีไม่ถูกถ ก, กาลเทศะแล้วเราก็เสีย อ, อกเสียใจแล้วก็ท้อแท้กับการทำความดีก็แสดงว่าขาดสติสามัญญะ ความดีนะถ้าเห็นว่าดีอย่าทำไปเถอะถึงคนจะไม่ได้ชมว่าดีก็ตามความไม่ดีนะแต่เห็นว่ามันไม่ดีก็อย่าทำถึงแม้คนอื่นจะไม่ได้พูดก็ตามนะอันนี้คือเราต้องกลับมาเห็นตัวเองการเห็นตัวเองเห็นยังไงก็เห็นกายเห็นใจเห็นอาการของกายของใจอย่างนั่งขาดานแนงง่วงไหมนั่งขาดานแน่ปวดเมื่อยไหมอาการของกายอาการของใจ นั่งอยู่ขณะนี่มันซึมมันเบื่อมันเซงไหมหรือว่ามันตื่นปกติมันสงบนีก็สังเกตเอาเป็นอาการของกายของใจมารู้สึกตัวอยู่ไหมเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่ไหมเป็นอาการของกายของใจเถ้าเราไม่ได้เห็นตัวนี้นะเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตอย่างถูกทำถูกต้องแล้วก็ตรงแล้วก็ออกจากทุกข์ได้เลยมันจะไหลไปติดกับของมารของอิเลสมาร มันมันรอเราอยู่มากมายเหลือเกินเช่นมัรตุมันนะมันคือความตายมันก็รอเราอยู่กิเลสมานก็รอเราอยู่เราไม่รู้สึกตัวสิมันก็คิดทันทีคิดแล้วโลดคิดแล้วกอดคิดแล้วหลงคิดแล้วรักคิดแล้วช่างคิดแล้วฉาหรือสยาความคิดทั้งนั้นเมื่อหลงก็เป็นในความคิดกระปุงก็แต่งเหตุคือความหลงขณะที่หลงก็คือเราไม่รู้ ทำไมไม่รู้ก็เพราะไม่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวใจของเราถ้าไม่มีหลักไม่มีเชือกมัดเอาไว้นะมันก็จะไหลไปลืมเนื้อลืมตัวคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านักเรียนก็อยากเรียนพอเรียนก็ไม่อยากเรียนพอเรียนก็ทุกข์เพราะทการบ้านพอเรียนก็ทุกข์พรเพื่อนพอเรียนก็ทุกข์เพราะงงสับสน เมื่อไรจะเรียนจบเมื่อไรจะมีงานทำํำไปเรียนก็มีปัญหาต่างๆมากมายเงินไม่พอใช้เป็นความทุกข์นักเรียนก็ทุกข์แบบนักเรียนบางทีทุกข์เพราะพ่อพราแม่ไม่เข้าใจอยู่วัยรุ่นบางทีก็ทุกข์เพราะฮอร์โมอนว้าวุ่นบางทีก็ทุกข์เพราะฮอร์โมนปลุงพล่านมันเป็นวัยมันวัยรุ่นนะพวกเราเคยผ่านมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ คนโตก็ทุกข์เพาลูกเพราหลานเพราบ้านเพราทรัพย์มี ม, มีไม่เป็นมันก็ทุกข์บางทีก็เจ็บไข้ไม่สบายเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นตอนที่เราใช้ชีวิตแบบลืมเนื้อลืมตัวเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมกันแต่ตอนนี้เราเห็นประโยชน์เราก็เลยมาวัดป่าสุขตร่วมกันที่นี่ก็สอนเถึงเรื่องความรู้สึกตัวเหาวิชากรรมาฐานก็คือให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัว วันเพ็ญเดือนหขึ้น15บห้าข้ามยามสามเปรลกาเนะี่ยองสมเด็จสัมมาเจ้าตามพุทธประวัตินะนะตามคำภีร์ของพระศาสนาบอกว่าวันเพ็ญเดือน6ขึ้นสิบห้าข้ามยาม3ามเปรลกาเป็นวันพุธ ท, นะท่านมาสนใจเรื่องการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขาเรียกว่าอาณาปานสติการฝึกสติแบบดูลมหายใจแล้วเกิดการบรรลุธรรมเข้าใจเรื่องชีวิตขึ้นมา หลังจากนั้นท่านก็บอกก็สอนแล้วก็พูดถึงเรื่องการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวการเดินเป็นขนา้าการถอยมั่งหลังนะรู้สึกตัวการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการถ่ายปัสสาวะอุจจาระดื่มน้ํารับประทานอาหารใส่เสื้อผ้าเราก็สามารถที่จะรู้สึกตัวหรือว่าปฏิบัติธรรมได้ขระาษเนี้ยที่เนี้ยก็ได้สอนก็นเรื่องแบบเนี้ย ให้เราเคลื่อนไหวเจตนาเคลื่อนไหวเพื่อทีรู้สึกตัวลมหายใจไม่ต้องเจตนามราก็เคลื่อนไหวได้ถ้าคนละเอียดกำหนดลมหายใจมันก็จะรู้สึกตัวได้แต่ว่ามันมักจะไปติดความสงบเวลานั่งแล้วดูลมหายใจจริงจะสงบได้ง่ายหลับตาลงไปไม่รับอารมณ์จิตจะสงบเป็นการพักใจนั่นเองพักจิตพักใจเรียกว่าฌานฌานที่ทําให้เรานะ ไม่เกิดปัญญาคือเป็นลนักษณะของสมถกรรมฐานเป็นลนักษณของการกําหนดลงไปแล้วก็นิ่งแช่ลงไปออกจากความคิดแต่ว่ามันไม่เห็นว่าการออกจากความคิดจะเป็นยังไงมันก็จะไปติดความสงบติดปีติติดความสุขอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติธรรมสมถกรรมฐานทาให้เกิดความสงบแต่การเคลื่อนไม้เคลื่อนมือนั้นเป็นวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อเราหลวงพ่อเขียนท่านมาเทศท่านก็ได้พูดว่าการที่เราเคลื่อนมือหรือว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะรู้สึกตัวเนี่ยเบื้องต้นเป็นกระแสกระแสของพระนิพพานเลยทันทียิ่งเราเห็นความคิดเนี่ยจะได้หลักของกรรมฐานเรียกว่าบรรลุธรรมการบรรลุธรรมก็คือเห็นความคิดของเรากริเลสมานกิเลสสมานอยู่ในความคิด มานที่มาขวางกั้นให้ชีวิตของเรามันอับเฉาไหลสู่ความเสื่อมถึงทางตันของชีวิตนั่นก็คือความคิดกิเลสมารพวกนี้ความโลภความโกรธความหลงเรียกว่ากิเลสเกิดจากความคิดมัจจุมานมันคือความตายไงก็ตายเทวปุตมาเทวปตมาสังเกตได้ง่ายๆนะเมื่อคืนนอนใครนอนไม่หลับป่ะ พ, พื้นกระดานแข็งเนี่ยนะ เคยนอนที่นอนนุ่มๆก็คือเทวปุตตมานเคยสบายมาก่อนคราวนี้พอมาอยู่ที่นี่มันไม่ได้ดังใจมันก็จะอยู่ยากะนะประเภทเนี้ยสักสามวันถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมดีๆนะเดี๋ยวกลับบ้านฝึกความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวเดินโยกมือสักพักเดี๋ยวความคีมชวนกลับบ้านอันนี้เรียกว่าเทวปุตตมานอภิสังขารมานก็คือ ในโลกนี้มีการปรุงแต่งมากมายเหลือเกินการปรุงแต่งทั้งวัตถุรูปธรรมและานามาธรรมแตเพราะจิตใจของเรานีนปรุงแต่งเก่งปรุงแต่งดีเป็นไม่ดีไมดดดดด่ดีเป็นดีเห็นโคงจักเป็นดอกเบื่อเห็นผิดเป็นถูกเห็นสมมติบรรัญญัติต่างๆมากมายแต่ว่าหลงหลงเข้าไปตาหูจะหกเล้นเนี่ย <c oughs> มันอีกตัวก็คือมันขวางเราแน่นอน ก็คือขันธมารโดยเฉพาะรูปขันธ์เนี่ยปฏิบัติธรมยากมากถ้านั่งดูละครดูกีฬาดูถ่ายทอดสดและนั่งเล่นไพ่นะ่ได้ทั้งคืนแต่ถ้านั่งปฏิบัติรรเนี่ยไม่เกินหนาที15้านาทีมันเอาแล้วมันมีอาการออกมาทนไม่ไหวอยู่ยากปวดเนื้อเมื่อยตัวเจ็บแข้งเจ็บขา มันจะรู้สึกไม่สะดวกเลยแหละแต่ถ้าเดินไปไหนมาไหนช้อปปิ้งเดินเที่ยวนี้ได้ตลอดเดินจงกรมทางเดินจงกรมเนี่ยเดินไม่ได้เดินไปเดินกลับสักระยะหนึ่งเวลาหนึ่งมันก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ให้รู้ไว้เลยนะขันตามานกำลังเล่นงานเอารู้บางทีเรามาเจออากาศที่มันไม่เหมือนกับที่เราอยู่ภูมิชาติกำเนิดของเราก็อยู่อากาศร้อนมาอยู่บนหลังเขาที่นี่มันเย็นสบายนะย่งระานี้เราก็ได้สัมผัสกันอยู่ บางคนก็ลากผ้าห่มมาแล้วอย่างเงี้ยคุมมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกหัดกันอยู่กะความหนาวใจไม่ทุกอยู่กับความร้อนใจไม่ทุกตรงนี้อยู่ฝนตกแดดออกใจไม่ทุกบางคนแดดออกนี่ทุกไงไวร์ยีแสงอุลตร้าไวโอเลตต้องใส่หมวกต้องกางล่มต้องหาอะไรมาบางังในขณะที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาตรงๆนั่นแหละนะ แสงแดดส่องลงมาก็กระตรงๆกับตัวดำกันนะพวกแขกอยู่กับแสงแดดสายลมอยู่กับละอองฝนอยู่กับแผ่นดินพระเจ้าบรรลุธรรมเนี่ยก็คือท่านใช้ชีวิตกับธรรมชาติเป็นชาววังนะชาววังมีภาษาสาฤดูเรารู้มาอย่างเงี้ยทราบข้อมูลก็คงจะเหมือนเหมือนกันเัวทไทยสุดก็คือไปอยู่โคนไม้อยู่โคนต้นว่าบ้างอยู่ใต้โคนนิโค้ดบ้าง อยู่ใต้ต้นสาระบ้างอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นประดู่บ้างใต้ต้นเต่งต้นลังถ้าอยู่โคนต้นไม้อะมาอยู่ที่นี่เราปฏิบัติก็อยู่ใต้ต้นยางอนะจะมีที่ปฏิบัติใต้ต้นยางโน่นต้นไม้โน่นกองกวางโน่นเรือนว่างชาววังนะมาอยู่วัดวัดก็คือโคนไม้อะอยู่โคนไม้เป็นวัดเลียวตูดงกวัดแหละนะ จนกรทั่งมีการบรรลุธรรมขึ้นมาใต้ต้นนิโคดใต้ต้นโพขออภัยใต้ต้นโพทีนี้เราสองพันกว่าปีผ่านมาเราก็เอามาเป็นเยี่ยงอย่างปฏิบัติธรรมกับธรรมชาติเพราะนั้นเราเป็นคนที่อยู่ง่ายแล้วก็ฝึกตนสอนตนกันร่างกายของเรามันเจ็บปวดเมื่อยไม่เป็นไรเรากาลังเพ่นบารมีกันอยู่ กำลังใช้อิยาบทนั่งเดินยืนนอนจเจริญสติกันอยู่ตัวนี้มันจะเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ตรงของใครของเราโดยเพราะความคิดนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันผู้ใหม่ทั้งหมดนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันระหว่างที่สติดูกายนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันจนฝ่าสติจะดูจิตเมื่อไหร่ถ้าสติดูจิตเห็นจิตเมื่อไหร่นะตรงนั้นก็คือสติดูความคิดเราก็จะเห็นความคิดทุกๆชนิดนะที่มันไหลออกมา แล้โดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เราจะได้คัดสรรเลือกเฟ้นอะไรไม่ควรคิดเราก็ไม่สนใจอะไรที่ควรคิดเราก็เจตนาคิดลงไปเช่นคิดท่องสูตรคูณเหนือนะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบใหเจตนาคิดอันนี้ต้องคิดลงไปอันนี้เกิดประโยชน์หรือว่าคิดว่าเออกอเอ๋ยกอไก่ก็ไข่ในร้านเจตนาคิดวันนี้วันอะไร แลมกี่คำขึ้นกี่คำอันนี้เจตนาคิดไม่เป็นไรได้ประโยชน์แล้วอยู่ๆเรายกมือสร้างจาังหวะมันคิดขึ้นมาคิดเรื่องบ้านเรื่องอาหารเรื่อง อ, าา อ, งอดีตที่ผ่านมาเรื่องความสุขความทุกข์อดีตนาคตอันนี้ตัดเคลียทิ้งไปก่อนมันก็จะไวอย่างมาสมวันมาวันมาวั น, วนพรุ่งนี้กลับวันนี้วันเดียวนีอย่าไปทําอย่างอื่นเจ้นะอย่าไปสนใจเพื่อนนะ พนันพยายามงดพูดเพื่อภาวนากันพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกหัดกันวันนี้อยู่ร่วมกันคนเก่าๆก็แยกปฏิบัติไม่ต้องสนใจใครเวทีนี้สถามนี้ปฏิบัติไม่มีใครว่าอะไรแต่ปฏิบัติให้ถูกนะรูปแบบการปฏิบัติก็คือพลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกมือขึ้นไปไปจังหวะเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้สึกตัว มาวางที่จะเดือรู้สึกตัวปลิ้นมือซ้ายตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวเคลื่อนวางท้าไปที่หลังมือขวารู้สึกตัวมือขวาก็ไม่ยกรู้สึกตัวเคลื่อนออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้ตั้งไว้น่ะบางคนเอาอีกคว่ําเลยวางตั้งไว้แล้วก็รู้สึกตัวคว่ำลงให้รู้สึกตัวมือซ้ายเคลื่อนมาที่ออกก็รู้สึกตัวยกออกไปให้รู้สึกตัวตั้งไว้ให้รู้สึกตัวแล้วคว่ำลงให้รู้สึกตัวถ้านั่งมื่อย ก็แสดงว่าขันธ์มามันแสดงออกมาแล้วนะนั่งเมื่อยนะรูปขันธ์มันแสดงเวทนาสุขทุกข์แสดงขึ้นมาให้เราได้อ่านเราก็รู้แล้วรู้แล้วใส่ขันติใส่ตะบะลงไปทนสักนิดนะเสร็จแล้วก็มีสติแล้วก็ลุกเปลี่ยนไม่ให้ความปวดความเมื่อยพาเปลี่ยนนเราก็ฝึกตรงนี้กันทักทวงนะ อาการที่เคยเจ็บเคยปวดเคยเมื่อยแล้วก็พาให้เราทุรนทุรายลุกลีลุกรนอย่นี้นะให้ตั้งสติใจเป็นปกติแล้วก็เปลี่ยนให้เขาจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนั่งอะไรก็ตามตรงนี้แหละจะทําให้เราได้พัฒนาการที่ดีร่างกายเราก็ไม่ลุกลิกเป็นคนที่ตั้งมั่นนิ่งในเวลาที่ควรนิ่งว่องไวในเวลาที่ควรว่องไวมาแก่การงานพวกนี้ มันจะเกิดขึ้นมาเป็นพัฒนาการของการปฏิบัติธรรมผู้ที่เจริญสติก็ย่อมเดินทางสู่มรรคสู่ผลสติจึงเป็นบาตรฐานทําทให้เกิดศีลที่เป็นบริสุทธิศีลขึ้นมาหรือว่าอริยการจะศีลขึ้นมาไม่ใช่ศีลสังคมนะสติเป็นบาตรฐานทําให้เกิดสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสติเป็นเหตุทําให้เกิดปัญญาเป็นสัมมาปัญญาเดินถูกทางเดินเดินถูกธรรม เป็นมัคควิธีมัคควิธีวิธีการก็คือการเจริญสติสติปัฏฐานรู้ละปัดรู้ละปล่อยรู้ละวางสติปัฏฐานเป็นกรรมมาฐานจิตที่เคยว่องไวไหลแล้วก็มัดไว้ที่หลักโดยเฉพาะการเคลื่อนการไหวกายเคลื่อนไหวใจรู้กายทำอะไรใจทําด้วยตรงนี้เราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการมาอยู่ร่วมกันในคราวครั้งนี้ เอาแล้ววันนี้เห็นว่าพูดมาสมควรแก่เวลาแล้วก็กราบพาะพร้อมกัน